ผมานานอนันยินก็กำลังค้นหาอยู่เชื่อว่าคงไม่ยากนักล้ครับพี่ใหญ่ประมาณ20นาทีหลังจากนั้นโดยการผ่อนฝีเท้าลงบ้างของดารินและอนุชาบวกกับการเร่งอัตราการเดินของฝ่ายที่ตามมาเบื้องหลังทั้งสองก็สามารถมองเห็นกันและกันได้ในระยะร0อยเมตรบนเส้นทางด่านช้างอันยาวเหยียดทอดข้ามระหว่างยอดเขาลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง และรักษารูปขบวนการเดินอยู่ในลักษณะนั้นโดยยังไม่เข้ามารวมหมู่สำหรับนั้นอินนั้นหายลับไปแล้วชนิดแกะร้อยเดียะทั้งคณะ16คนจัดอยู่ในเกณฑ์เดินชนิดเร่งรุดพอสมควรทีเดียวเพราะทุกคนเคยชินมาก่อนแล้วแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากในวันเริ่มต้นนี้ก็ตามแล้วก็จริงตามที่พรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาคาดคะเนไว้อย่างหมายมั่น เวลาบ่ายโมงครึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังเริ่มหิวนานอินผู้ล่วงหน้าหายลับไปก่อนเป็นเวลานานโดยไม่โผล่ให้เห็นนับเป็นชั่วโมงก็ปรากฏร่างให้เห็นอยู่เบื้องหน้ากําลังก้มก้มเงยเงยอยู่ตรงริมทางด่านช้างไม่ได้เคลื่อนไหวรุดหน้าต่อไปอีกมีอาการเหมือนจะยืนรอเมื่อดารินกับอนุชามาถึงก็มองเห็นกิ่งไม้สดสดกิ่งหนึ่งเต็มไปได้วยใบ เป็นกิ่งขนาดท่อนแขนถูกหักลงมาวางขวางทางไว้โดยมีโคนที่หักชี้ไปยังป่าทึบริมทางด้านซ้ายมืออนุชา ย, ยังไม่พูดอะไรเช่นกันความํำนานต่อป่าของเขาทำให้พิจารณาถึงสาเหตุของการมาของกิ่งไม้กิ่งนั้นรวมทั้งรหัสของมันแล้วอดีตนักเดินดงหัวเห็ดกับพรานเท่าคู่ชีพก็มองหน้ากัน นันอินใช้ปลายไรยเฟิลชี้ไปที่ต้นตะแบกใหญ่ต้นหนึ่งริมทางยืนต้นอยู่ในระหว่างหินใหญ่สองก้อนมีรอยถูกหักลงมาจากต้นนั้นนั่นเองสุดๆร้อนๆเลยนายไม่เกินสิบนาทีก่อนที่นานอินจะเดินมาถึงที่นี่แต่พูดเสียงต่ำๆก็มีแต่ช้างเท่านั้นแหละที่จะหักกิ่งตะแบกนั่นลงมาได้ แล้วลากลงมาวางไว้ตรงนี้ให้มันหมายความว่ายังไงกันนี่ดารินพิจารณากิ่งไม้รอยหักจากต้นแล้วก็มองไปยังช่องทางของราวป่าที่แยกจากเส้นทางด่านแล้วหล่อนก็เข้าใจได้ในทันทีมีพนันกันไหมตัดลงเส้นทางระหว่างซอกโขดหินนี่แหละ คือตำแหน่งที่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์หยุดพักเที่ยงเป็นแห่งแรกนับแต่ออกจากหนองน้ำแห้งหล่อนไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นหากแต่เดินนำหน้าตัดลงสู่เส้นทางนั้นทันทีนั้นอินและอนุชาก็ตามมาในทันทีนั้นสุมไม้ริมทางมีรอยคนหักยอดพับเอาไว้พิสูด์ชัดและมีรอยเส้นทางเดินเล็กๆของพวกสัตว์บางชนิด มุ่งลงไปสู่ลำหดไม่กี่อึดใจเท่านั้นหญิงสาวที่เดินสอดสายสายตายอย่างพินิษไปตลอดทางก็ชี้ให้พี่ชายกับพรานครูผู้เฒ่าดูนั่นไงที่ขอนไม้ใหญ่ริมโคลนต้นไม้นะชัดเลยไม่เพียงแต่กระป๋องของเครื่องเรั่นที่สูงกองกันอยู่ที่โคลนต้นไม้เท่านั้น ดารินยังค้นพบปลอกกระสุนไรเฟิลขนาดจุด4 5 8หนึ่งปลอกตกอยู่ในพงริมทางเพราะเดินไปเหยียบเขาหล่อนหยิบขึ้นมาพิจารณาดูพร้อมกับขนลุกสู้เมื่อมองเห็นหน้าระพินไครวันสัญชาตญาณบางอย่างบอกทันทีว่ามันจะต้องเป็นปลอกกระสุนของเขาซึ่งไม่ทราบว่ายิงอะไร ตรงตำแหน่งที่มาพักกินอาหารกลางวันกันที่นี่หล่อนไม่บอกอนุชาเรืนหนานอินเลยเดาะปลอกกระสุนที่ด้านหนึ่งมีสนิมเขียวจับเนื้อทองเหลืองในมือช้าๆรีตารลงแล้วบรรจุใส่กระเป๋าเสื้อไว้ส่วนอนุชาก็วิทยุบอกที่หมายแก่พักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังทันทีโดยให้สังเกตกิ่งไม้ที่หักชี้ทางไว้ พอบอกข่าวให้รู้ทางเสร็จ ก, ก็หันมาทางน้องสาวผู้ยืนเม้มริมฝีปากกว่าตาไปรอบๆ อ, อยู่แปลกแฮะถ้าไม่มีไอ้กิ่งไม้ประหลาดนั่นถูกหักเป็นเครื่องหมายไว้เราก็คงเดินผ่านไปแน่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยรอยที่หักกิ่งไม้ก็เป็นรอยช้างมันหักไว้หยกๆนี่เองดารินฝุนยิม แววยินดีและแววเศร้าระคนกันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับพี่กลางเราทำคุณไว้กับเขาเขาก็สนองตอบคุณแก่เราแล้วเขาก็มีสัญชาตญาณอย่างรู้ด้วยว่าเรากำลังจะไปไหนไปเพื่ออะไรอยากจะพบเห็นสิ่งไหนซึ่งเขาก็พามาให้ได้พบแล้วไงนี่หมายความว่าไง อนุชาร้องออกมาดังๆอย่างพิศวงขีดสุดพระเจ้าด้วนไงคะเจ้าด้วนเมื่อเช้านั่นละค่ะเป็นตัวหัดกิ่งไม้ชี้ทางบอกไว้แก่เราเพื่อมาพบกับตำแหน่งแรกที่ระพินนำพวกนั้นมาหยุดพักเอ๊ะแล้วน้อยแน่ใจได้งไงจะไม่คิดฝันวาดภาพาไปเองเกินไปหรอกเหรอดารินสันศีศัก์น้อยๆบอกเสียงราบเรียบปกติว่า ไม่หรอกค่ะพี่กลางน้อยไม่ได้คิดฝันเองเขาจริงๆค่ะเจ้าด้วนนั่นแหละน้อยไม่ได้บอกพี่กลางกันหนานอินเองแหละว่าระหว่างที่น้อยเดินอยู่คนเดียวก่อนที่จะถูกตามทันน่ะด้วนก็โผล่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็เดินนำทางน้อยอยู่ตลอดเวลาก็เพิ่งจะเล้นตัวหายไปก็ตอนที่พี่กลางกันหนานอินเดินตามมาทันนั่นแหละไม่งั้นน้อยจะเดินนามาถูกทางได้ไง มิช้ามินานเชาิาชายันขยินและขบวน ล, ลูกหาบทั้งหมดก็พากันเข้ามาถึงเพราะมีสัญญาณกิ่งไม้ไว้ให้สังเกตได้ชัดเจนตามที่อนุชา ว, วิทยุไปบอกไว้ก่อนทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นร่องรอยอันเด่นชัดที่สุดของขบวนที่รพินนำทางมาหยุดพักเป็นตำแหน่งแรกจึงถือโอกาสพักกินอาหารกันที่ตำแหน่งนั้นด้วย ทุกคนคุยกันแล้ววิเคราะห์จะมีกระตดารินคนเดียวอยู่ในอาการเศร้าซึมจมอยู่ในห่วงคิดจนพี่ชายใหญ่และชายันต้องเข้าไปปลอบโยนมิเศษของสิ่งของหลายชนิดทิ้งเหลือไว้ให้เห็นโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาค้นหามากนะักเป็นร่องรอยของคนทั้งยี่สิบคนมาหยุดแม้ชั่วในระยะเวลาสั้นๆซึ่งต้องถือว่าเป็นโชค ใช้อันดับแรกทีเดียวของการติดตามค้นหาโดยไม่พลาดหรือผ่านเป้าหมายไปซะสบายใจได้แล้วละน้อยป่าใหญ่ทั้งป่าหาขอบเขตไม่ได้จุดหมายแรกที่รพินพาพวกนั้นมาหยุดเราก็ยังค้นพบมันไดน้ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้พบนอกจากอาจพบที่ซับบอนข้างหน้านอดชั ย, ยันพูดอย่างดีใจและบังเกิดความเชื่อมัน่นเต็มที่ ดารินกวักมือเรียกนานอินและขยินให้เข้ามาหาภายหลังจากทั้งสองกินอาหารเสร็จและกําลังนั่งพูดอะไรกันอยู่ครูพรานเท่ากาเจ้านักเลงโตหลุ่มช้างก็เข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าท่ามกลางเจ้านายทุกคนหลวงอินแล้วก็ขยินดารินพูดแผ่วเบาแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ก็ได้ยินอีกสักประเดี๋ยวนะ เราก็จะออกเดินทางต่อแล้วก่อนที่จะไปจากที่นี่ที่ซึ่งพรานใหญ่นําฝรั่งและลูกหาบมาพักกินอาหารกลางวันกันตรงนี้นะทั้งสองคนช่วยกันหาหลักฐานและบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าพรานใหญ่ยิงกระสุนนัดแรกของเขาขึ้นที่นี่เขายิงอะไรนั้นอินกัคขยินทำหน้าเลิกหลักไม่รู้ความหมายที่หลอนถามส่วนเชษฐาชา ย, ยันและนุชาก็งง ตาการจ้องหน้าหลอนขหมิงเอ๊ะทำไมนายหญิงถึงคิดว่าพรานใหญ่ยิงอะไรที่นี่ล่ะเอาเถอะน้าลุงฉัรู้แล้วกันว่าเขายิงเพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นแหละว่าเขายิงอะไรคนคนนั้นน่ะจะไม่ยิงปืนเล่นโดยไม่มีเหตุผลหรอกทั้งลุงอินและขยินก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าแต่ละคนช่ำชองชำนาญป่าเพียงไร เพราะฉะนั้นช่วยกันตรวจบริเวณและหาเหตุในการลั่นกระสุนของเขาซิแต่ถ้าคนไม่พบก็แล้วไปให้เวลาคนละห้านาทีเท่านั้นเ้าเราจะรีบไปละทั้งนั้นอินและขยินมียาการแปลกใจในคำพูดของหล่อนอยู่เช่นนั้นแล้วก็ลุกขึ้นออกตรวจบริเวณทันทีระหว่างนี้อนุชาชายันและเชษฐาก็มองหล่อนเป็นตาเดียว แต่ก็ยังไม่มีใครถามอะไรทั้งสิ้นต่างคนต่างนั่งสูบบุรีเฉยดารินั่นนั่งบนขอนไม้เอามือเท้าคางตามองออกไปยังราวป่าทึบเบื้องหน้าอย่างเข้าชานพักเดียวนานอินก็เดินกลับเข้ามาก่อนมีเศษหนังของงูเหลือมถูกลอกทิ้งไว้ตรงโขดหินใกล้ๆลําลห้วยเล็กข้างล่างนอดหนาวแล้ละ มีรอยสัตว์กินเหลือไว้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็คาดว่าเป็นงูเหลือมขนาดเข่งทีเดียวนอกนั้นก็ไม่พบอะไรส่วนขยินผู้เดินค้นหาไปทางด้านหลังของขอนที่ทุกคนนั่งอยู่ขนาดนี้กลับมายืนเด่มเๆมมองๆเหมือนจะคำนวณทิศทางอะไรสักอย่างหนึ่งพึมพัมซุปซิปผู้ขนะนอินแล้วก็บอกกดารินว่านายหญิง ร้านใหญ่นะ่ะยิงงูเหลือมแน่ๆ แ, แล้วก็ยืนยิงอยู่ตรงนี้แหละแนวลูกปืนไปฝังอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ห่างจากนี่ไปนักระยะที่ลูกปืนฉีกเปลือกไม้เข้าไปสูงแค่มือเอื้อมถึงขยินเอามีดแคะตามรอยแผลของเนื้อไม้แต่ก็แคะไม่ถึงลูกปืนนะ่ะจมลึกเข้าไปมากแล้วทําไมเขาถึงจะต้องยิงงูตัวนั้น คุาคงไม่อดอยากจนถึงได้ยิงงูเหลื่มด้วยไรเฟิลมาเป็นอาหารไม่ใช่เหรอดารินถามขึ้นลอยลอยระหว่างที่เชิฐาและชายันยังนั่งกระพริบตาปริด ป, ปริบเดาวเหตุการณ์อะไรไม่ถูกพรานชดหรือหมอมราชวงอนุชาก็กระโดดเข้าไปยืนตรงตำแหน่งที่ขยิงหยุดยืนอยู่ในขณะ น, นี้ทันทีคำนวณหาแนวทิศทางของลูกปืนที่เข้าไปฝังอยู่ที่ลำต้นของไม้ใหญ่ อันมองเห็นชัดโดยการชี้บอกของกระยินแล้วเอามือลูบคางใช่มีใครคนหนึ่งในคณะนั้นยิงงูเหลือมจริงๆนั่นแหละในลักษณะที่มันกําลังห้อยหัวลงมามันอาจจะกําลังเล่นงานใครสักคนนึงที่นั่งอยู่บนขอนไม้ตาแหน่งที่น้อยนั่งอยู่ขณะนี้แหละเป็นการยิงเพื่อช่วยชีวิตระดับของแนวกระสุนนั้นมันบอกชัดว่างูจะต้องย่อนตัวห้อยหัวลงมา เพื่อหมายทิ้งตัวลงรัดเหยื่อแต่น่รู้ได้ไงว่าคนยิงคือระพินแท่นคำตอบใดๆหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยน้องเล็กของตระกูลค่อยๆหยิบปลอกกระสุนจุดสี่ห้าแปดแม็กออกจากกระเป๋าเสือ้อส่งให้อนุชาซึ่งเขาก็ตะครุบไปดูโดยเร็วเชษฐาชายันก็พรวดเข้าไปรุมดูด้วย ปลอกจุดสี่หาแปดแต่มันใช่แล้วไม่มีใครอ่ะรับพิงจริงๆอ่ะน้อยนี่เธอมาจากไหนเนี่ยเชิดฐาจ้องดาริงชี้มือไปทางด้านหลังของขยินที่กำลังยืนอยู่น่นค่ะพี่ใหญ่ตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังขยินนั่นแหละน้อยเดินไปเหยียบก็พอดีจ้ะทั้งหมดอุทานแซดกันออกมาเก็บไว้เป็นที่ระลึก เราไม่เพียงพบแหล่งหยุดพักครั้งแรกของเขาเท่านั้นยังพบกระสุนนัดแรกของเขาที่ช่วยชีวิตนายจ้างด้วยเพราะคนที่มานั่งอยู่บนขอนไม้อันนี้คงไม่ใช่ลูกหาเพราะอาจจะเป็นแม่มคนใดคนหนึง่งในสองคนนั้นเชฐิฐานพูดช้าๆแล้วส่งปลอกกระสุนนัดนั้นคืนไปให้น้องสาวหล่อนรับมาพลิกดูอีกครั้งเหมือนจะเพ่งให้เห็นภาพของเจ้าของลูกปืนผู้จริง แล้วใส่กระเป๋าเสื้อไว้ตามเดิมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงของการหยุดพักกินอาหารตำแหน่งเดียวกับทีรพินมาหยุดพักเฉถาสั่งให้เคลื่อนหน้าต่อไปทันทีมุ่งซับบอนเป็นเป้าหมายต่อไปซึ่งแน่ใจว่าคณะของพรานใหญ่จะต้องไปพักนอนในคืนแรกแน่นอนหกสิ 69. บเก้าบ่ายโมงครึ่งของวันเดียวกันนี้เอง คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ภายใต้การนำของรพินซึ่งมีขบวนอบพยพของพว ก, กเกรเียงเหลือตายจากคชจะพยหมู่บ้านตะเคียนทองติดตามมาด้วยก็ผ่านดงทึบสลับไปกระทุ่งแฝกรอบด้านประหนึ่งกำแพงของจักรวาลล่วงเข้าสู่บริเวณด้านใต้ของหุบมาหอนอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ยังเป็นอยู่รอบนอกของเหตุเขตหุบมาหาภัยเท่านั้น และเลาะเรียบไปเรื่อยตามเชิงเขาโดยจอมักุเทสผู้นำทางกำลังอยู่ในระหว่างใคร่ครวนตัดสินใจว่าจะหาทางตัดเข้าเขตหุบตอนใดเพื่อความปลอดภัยของหมู่คณะมากที่สุดเขาพะเดินจากคริสตินาครูบิลหรือไลล่าอามิเตดือเร่งฝีเท้าไปเดินนำอยู่หน้าขบวนเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วหล่อนคงจะอยากประกบติดตามชิดอยู่เหมือนกันแต่ก็สุดความสามารถ เพราะเดินตามไม่ทันแต่ในที่สุดก็ละความพยายามเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหนทางในป่าแล้วถ้าหากคนคนนั้นไม่หยุดรอเสอย่างเดียวไม่มีใครเดินตามเขาได้ทันต่อให้ขายาวหรือว่าเป็นนักเดินที่แข็งแรงทรหดซักขนาดไหนก็ตามแมมคริสตนายะเพิ่งขาตัวตายซะ ก, ก่อนเพราะความเหนื่อยเลย ถ้าคิดจะเดินตีคู่ไปกระพรานใหญ่โดยแกไม่หยุดรอให้นะคริสติน่ายังจําได้ดีว่าบุญคําได้เตือนแล้วด้วยถ้อยคําเช่นนั้นขณะที่หลอนเร่งฝีเท้าจนเกือบจะเป็นวิ่งในที่สุดอย่างเก่งคริสตินาก็เพียงแต่เดินนำหน้าขาบวนลูกหาบเคียงข้างไปกระบุญคาเท่านั้นในขณะที่พักพวกอื่นๆคงเดินคุมอยู่ท้ายขาบวนบัดนั่นเอง เสียงวิทยุแบบมือทุกเครื่องของฝ่ายนายจ้างก็ปรากฏสัญญาณออเรียกพร้อมกันขึ้นมาทั้งหมดสเตลีคีธเชิดพุธและอิสเบลสะดุ้งประหลาดใจไปตามๆกันรีบช่วยขึ้นมาเปิดสวิต ท, ทันทีเสียงของพรานใหญ่ที่รับหายไปเบื้องหน้าเหมือนจะทอดทิ้งทุกคนไว้ด้านหลังก็ปรากฏห้าวลึกชัดเจนที่สุดขึ้นมาว่า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 สีจากกระพินเงียบไปเพราะคงจะได้ยินพักพวกเบื้องหลังซึ่งเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆใช้ ว, ชวิทยุทดสอบกันอยู่เขาทอดระยะอยู่อึดใจใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าคณะโดยเสียงคนอื่นๆเงียบลงจึงตอบมาได้ยินพร้อมกันหมดทุกเครื่องที่เปิดรับอยู่ในขณะ น, นี้ขอทดสอบเครื่องทุกเครื่องนะครับ ขอทดสอบเครื่องทุกเครื่องนะครับรับฟังได้เรียบร้อยไหมครับผมอยากจะเรียกเป็นรายตัวบุคคลเมื่อเรียกใครขอให้ตอบรับและบอกความชัดเจนหรือไม่เพียงไรมาด้วยนะครับเสียงสแตนลีย์กล่าวขึ้นก่อนอย่างดิงโลดจอมพลเริ่มต้นเรียกตามลําดับบุคคลทันทีคนถัดไปเขาเรียกคีตเชิดวุฒและอิสเบรทั้งสามตอบรับว่าชัดเจน ซึ่งทางฝ่ายเขาก็บอกว่าชัดเจนเช่นกันคริสติน่าเป็นคนสุดท้ายที่เขาทดสอบวิทยุด้วยก่อนเฉยไม่ตอบไม่ปลดวิทยุที่กำลังดังอา้าวติดอยู่กับเข็มขับนั้นขึ้นมาพูดจอมพรานเรียกซ้ำอยู่สองสามครั้งเชิดวุฒิผู้กวดไล่ตามหลังมาจนกระทั่งเดินทันแม่ผมทองหันไปดูแม่ภูเขาน้าแข็งซึ่งเดินไปเบื้องหน้าเฉยด้วยความประหลาดใจ แล้วเอื้อมมือไปคว้าวิทยุที่เอวของหล่อนขึ้นมากรอกคำพูดลงไปรพินนี่ผมเชิดวุฒิพูดนะแต่ใช้เครื่องของคริสติน่าวิทยุของคริสแตใช้การได้ดีเหมือนพวกเราทุกคนแล้วแต่ผมแปลกใจในข้อที่เขาเดินเฉยไม่สนใจกับเสียงเรียกของคุณเลยที่บังเอิญผมเดินอยู่ข้างๆเขาก็เลยช่วยเอาวิทยุของเขามาพูดแทนเป็นการทดสอบให้รับฟัง รับฟังเป็นไงก็ชัดเจนเหมือนเครื่องอื่นๆนะครับจอมพนตอบมาด้วยน้ำเสียงปกติเชือดวุธจึงส่งเครื่องนั้นคืนไปให้เจ้าของพร้อมทั้งมองหน้าเหมือนจะถามว่าเหตุใดจึงไม่ตอบรับแม่ผมทองก็เฉยทำเป็นไม่เห็นซะรับวิทยุมาเน็บเอวตามเดิมนี่คุณโกรธอะไรรพินเหรอนายทหารหนุ่มถามเบาๆ เมื่อเห็นหลอนปิดสวิตซ์ซะเพราะถึงยังไงเครื่องของเชิดวุธที่ยังเปิดอยู่ในขณะ น, นี้ก็สามารถถ่ายทอดเสียงระหว่างพานใหญ่กับทุกคนให้ได้ยินชัดเจนอยู่แล้วในทุกข้อความบ้าวนี่หลอนตอบเรียบเรียบใช้หลังมือป้ายเช็ดเหงือบนปลายจมกูกตามองไปเบื้องหน้าที่เห็นแ่าเขียวทะมึนในระหว่างช่องเขาที่ทอดสูงขึ้นไป ระยะเวลานั้นเสียงผู้โต้อตอบทางวิทยุระหว่างจอมพรานกับฝ่ายสแตนลีย์คงดังอยู่ตลอดเวลาอ่ะแล้วทําไมเขาเรียกคุณถึงไม่ตอบรับล่ะไม่จนะําเป็น่ะเรื่องฐานหเปล่าในเมื่อก็เห็นอยู่แล้วว่าวิทยุมันดังอยู่นี่แล้วถึงฉันไม่ตอบคุณก็ช่วยตอบให้แล้วไม่ใช่เหรอเอสองคนนี่รู้สึกมีอะไรกินในกันยังไงพี่กนลนะ ระยะเดินทางเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงแรกผมเห็นคุณไปเดินอยู่รังท้ายขบวนกระแพนใหญ่ต่อมาเขาก็ปีนขึ้นไปนำอยู่หน้าขบวนตามปกติของเขาคุณพยายามตามแต่ตามเขาไม่ทันเองนี่หยุดถามจูจี้ซอกแซกสักทีได้ไหมไอ้หนูหลอนพูดห้วนๆเป็นภาษาอังกฤษ แต่สำเนวนั้นออกมาได้ความเช่นนี้เล่นเอาเชิดวุธสะดุ้งยงตาของคริสติน่าที่เหลือบจ้องมาทางเขาน่ากลัวผิดสังเกตไปมากมันวาวจ้าชนิดไม่เคยเห็นมาก่อนเล่นเอาเชิดวุฒหน้าแย่ไปเลยขอบคุณสวรรค์เป็นนั้นว่าวิทยุเครื่องของเราใช้ได้ตามปกติแล้วเมื่อพลนเขตอับคลื่นออกไป ผมเข้าใจว่าวิทยุเครื่องใหญ่ก็จะติดต่อก็ถอบังคับการเลยก็จะต้องเริ่มการเริ่มใช้การได้ดีด้วยเสียงกระพินดังก้องมาจากทุกเครื่องที่เปิดรับฟังอยู่ในขณะ น, นี้เพราะทุกคนเปิดวอลลุ่มสูงสุดขอรายงานให้ทราบดังนี้นะครับขณะนี้เรากําลังอยู่ทางด้านใต้ฝั่งนอกของหุบหมาหอนทูผมเองล่วงหน้ามารอท่านอยู่แล้ว ตรงบริเวณชะ ง, ง่อนเขาริมเหวระยะห่างจากพวกท่านประมาณไม่เกินหนึ่งไม้โปรไตกมาตามเส้นทางที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้นะครับบระเดี๋ยก็จะเห็นกันเองเราจะหยุดพักทานอาหารกลางวันที่นี่ไม่ต้องเร่งร้อนอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดินกันตามสบายเดี๋ยวก็ถึงที่พักละขอภัยด้วยที่นำเดินรวดเดียวห้าชั่วโมงเสรโดยไม่หยุดเลย และทำเวลาอาหารกลางวันของพวกเราคลาดเคลื่อนไปเกือบสองชั่วโมงโอเคแล้วกำลังตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละสตาลีตอบขึ้นไป ท, ทันทีจากสภาพป่าอันเป็นพงรุกทึบอุดมอุดมด้วยเถาวันซึ่งบางขนาดก็ต้องใช้มีดตัดกิ่งไม้ถากฐานทา ง, า ง, างขึ้นไปจู่ๆก็โผล่มาพบกับเส้นทางเดินอันอุดมไปด้วยกรวดหิน ตัดชันขึ้นสู่ไยลเขาซึ่งมีรอยของระพินทรรมสัญญาณชี้บอกทิศทางไว้ให้ก่อนแล้วขบวนทั้งหมดพากันเคลื่อนขึ้นไปตามหนทางนั้นทันทีทุกคนเหงื่อโชกราวกะอับน้ำโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างแต่คนเหล่านี้เริ่มเคยชินซะแล้วกับสภาพของการเดินกันอย่างหนักจึงไม่มีปัญหาอะไรมากนะักคณะเดินทางต้นพวกกระเรียงอพยพ ซึ่งมีสัมภาระและเดินช้า ก, กว่ามากอันเนื่องจากเป็นกองคาราวานใหญ่ขึ้นไปก่อนพวกตนปิดท้ายไล่หลังขึ้นไปไม่กี่ชั่วไม่กี่นาทีต่อมาก็บรรลุถึงยอดเนินของเส้นทางทอดข้ามไหลเขานั้นมองเห็นกระพิงยืนสูบุรี่อยู่ก่อนแล้วตรงบริเวณที่โล่งกว้างราบเรียบเชิงผาตอนหนึ่งห่างออกไปราวสักสี่สิบเมตร ต้นไม้ใหญ่ที่ยืดรงานโดดเดี่ยวสูงลิฟด้านขวามือเป็นเหีวลึกตัดชันลงไปมองเห็นยอดไม้อยู่เบื้องล่างทึบไปหมดจมพรานตีมือเป็นสัญญาณสั่งการกับพานพื้นเมืองของเขาให้นำขบวนกระเรียงอพยพที่มาด้วยให้แอบคิดเข้าพักอยู่ริมหน้าผาหินภายใต้ร่มเงาของชะ ง, ง่อนที่พลูล้ำออกมา ซึ่งพวกนั้นก็เข้าใจสัญญาณเข้าเป็นอย่างดีตรงเข้าไปรวมกลุ่มปรุงหาบตรงตำแหน่งนั้นตามคาสั่งส่วนฝ่ายนายจ้างและขบวนลูกหาบของฝ่ายเขาระบินใช้วิทยุสั่งให้เดินตรงต่อมาอย่างร่มใบไม้ใหญ่ที่เขายืนอยู่ซึ่งชั่วไม่นานคณะที่ตามมาถึงตำแหน่งนั้นต่างสุดตัวลงนั่งอย่างเหนือยเน็ดเหนื่อยอิดโรย และดื่มน้ําเป็นอันดับแรกการหยุดพักจึงแยกออกเป็นสองกลุ่มคณะเดินทางกลุ่มหนึ่งกะเหรี่ยงอพยพอันมีจํานวนลูกเล็กเด็กแดงอีกกลุ่มหนึ่งโดยห่างกันแค่ยี่สิบเมตรมองเห็นและตะโกนพูดกันได้เราไม่สามารถจะทําเวลาให้เร็วได้มากกว่านี้ตามที่ได้เรียนให้ทราบล่วงหน้าแล้วเพราะมีกะเหรี่ยงอพยพและสัมภาระมากมาย ตามมาด้วยหนทางเดินก็ต้องเลี่ยงเอาก็ต้องเลือกเอาแนวทางที่แน่ใจว่าควรจะปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุดถ้าเรามากันตามลำพังก็จะทำเวลาได้มากกว่านี้อีกเท่าตัวเอาล่ะครับผมให้เวลาทุกท่านหนึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับการทานอาหารกลางวันและพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไป รพินประกาศขึ้นกับทุกคนในกลุ่มของนายจ้างที่พากันนั่งหอบหน้าแดงก่ำกันอยู่แล้วก็ตะโกนสั่งการอะไรบางอย่างไปยังกะเหรี่ยง อ, อพยพพวกนั้นข่ะเดียวกันก็ออกคำสั่งให้บุญคำไปเป็นตัวแทนเขาเพื่ออำนวยความสะดวกนัดแนะอะไรกับพวกนั้นรวมทั้งให้ไปหาอาหารกินรวมกลุ่มกับก ะ, กะเหรี่ยงตะเคียนทองด้วย อาหารกลางวันพอประทังมือนี้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดอาศัยเรชัช่นล้วนๆความเหนื่อยอ่อนความหิวโหยยังทำให้ทุกคนไม่อาจสนใจสังเกตภูมิประเทศแวดล้อมรอบตัวได้อย่างละเอียดทีท่วนนะักเห็นเพียงผาดผ่าแต่ว่ายิ่งไกลออกไปสภาพของป่าก็ดีขุนเขารอบด้านก็ดีมันเริ่มผิดไปจากเท่าที่ผ่านมาแล้วทุกขณะ ภูเขาสูงขึ้นต้นไม้แต่ละต้นโตมโหฬารขึ้นขณะเถาวันแท้ก็ยังมีเส้นเท่าขายังมีเส้นเท่าขาอ่อนเด็กอวบอวของผู้หญิงธรรมชาติมีทั้งความสวยงามและน่าสะพึงกลัวปะบนกันอย่างแยกไม่ถูกหินแต่ละก้อนก็ล้วนแพรวไปด้วยสีสันวิจิตรเหมือนอาเพชรนิจินดาไปฝังไว้ เมื่อนั้นทุกคนใช้เวลาที่เหลือเอนหลังลงพิงเอนหลังลงพักตามแท่นหินที่งอกอยู่ระเกะระกะและพินเตือนให้คิดทดสอบวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ที่จะติดต่อกับสถานีลอยฟ้าทันทีซึ่งพันเอกแห่งย s เอส y ก็ดูเหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้เพราะคำเตือนนั้นรีบจัดการโดยเร็วปรับจูนเครื่องเรียกดู เรียกอยู่ครู่เดียวหลังจากขอบังคับการซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนก็ดังกล้องชัดเจนออกมาชนิดที่ทำให้อเมริกันทุกคนแทบกระโดดด้วยความปรปติเหลือที่จะกล่าวเมื่อวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ทำงานได้และเริ่มมีการใช้โค้ดติดต่อกันจอมพลัก็แยกตัวห่างออกมาทันทีเพราะไม่ต้องการจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ชิดกลุ่มของนายจ้างในขณะที่ใช้วิทยุ อันถือว่าเป็นความลับขั้นสุดยอดระยะเวลาระหว่างนี้เองที่เพิ่งจะสังเกตเห็นหมอเบอร์แอบนอนอยู่ที่ร่มเงาหินมุมหนึ่งตามลำพังคนเดียวขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งชันขึ้นดวงตาหลับก็รู้สึกเหมือนกันว่าเช้า ว, วันนี้ตั้งแต่ลอนถูกคริสหรือไ ล, ล่ลาตบเอาโดยเขาเห็นอยู่คนเดียวแล้ว อาการของเบรก็เงืองงอยลงไปมากและไม่ค่อยจะพูดจะจาอะไรกับใครโดยไม่จําเป็นด้วยศึกษาคลุกคลีเห็นนิสัยแท้จริงกันไปนานๆแล้วก็น่าสงสารอิสเบร์เป็นคนไม่มีอะไรเลยฟรีเซ็กซ์ดอกทองประจําคณะแต่นั่นก็เป็นนิสัยอิสระเสรีที่ไม่มีอะไรปิดบังอําพรางไว้เพราะธรรมชาติความต้องการของหล่อนเป็นเช่นนั้นเองทว่าก็ไม่เคยเป็นพิษเป็นภยัย ช่างพูดด่าเริงไม่มีอะไรเสแยแซงผสมกับความปากตำแย่หน่อยๆ อ, อันเป็นนิสัยแท้จริงของผู้หญิงดลอนก็เป็นเพื่อนดีกับคนทุกคนในคณะเขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะเหี้ยมโหดอำมหิตพอที่จะฆ่าใครได้แต่สำหรับคริสตินานั้นไม่แน่สัญชาตยานบอกกระพิงเช่นนั้นแานใหญ่เดินตรงเข้าไปหา เสียงเหยียบกรวดลั่นจากฝีเท้าของเขาทำให้หล่อนผ ง, งกสีสักขึ้นดูพอมองเห็นว่าเป็นใครก็รีบดึงกายขึ้นนั่งทันทีมั น, นพักตามสบายเถอะเบร์เรายังมีเวลาเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงไนงะระพินยิ้มให้พูดด้วยเสียงอ่อนโยนเบนมองหน้าแล้วพยายามกวาดตาไปรอบๆ อ, อย่างหวัดหวัดระพินกล่าวต่อมาว่าไม่ต้องกลัว แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจขณะนี้น า, ายล่ากำลังติดต่อวิทยุหอบังคับการเขายังไม่ทันจะเห็นหรอกว่าผมเดินมาที่นี่อิสเบลยยิ้มจิตจืดขยับตัวไปเอ็นหลังพิงก้อนหินไม่พูดอะไรทั้งสิ้นดูผิดไปจากทุกครั้งกระพินอัดควันบุรีลึกจ้องที่ค้าวหน้าอ่อนเยานั้นด้วยจิตปราณีอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก ผมเสียใจนะแล้วก็ไม่พอใจที่เห็นคริส ต, ตบคุณเมื่อเช้านี้ <Base ball> เพื่อจะมารู้เอาวันนี้เองว่าคุณน่ะกลัวคริสจนลนลานไปหมดเป็นความผิดของฉันเองระพินที่ปากพร้อยปากอยู่ไม่สุกเอาความลับที่เขาไม่ต้องการให้ผมรู้มาเปิดเผยเนี่ยเพราะความไร้เดียงสาของคุณเองเนอะฉัน ฉันเบรอึกอักคุณที่ไปสเตอร์รพินต่อไปนี้น่อย่ามาแสดงความสนใจหรือใกล้ชิดอะไรกับฉันอีกนะคริสก็ไม่พอใจนักอะทำไมอะ่ะเบฉันไม่น่าจะบอกอะไรกับคุณไปเลยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขามันเป็นการดีมากนะที่คุณช่วยผมเห็นทาาแท้อันซ่อนเร้นของเขา ผมน่ะสงสัยมานานแล้วแต่ไม่แน่ใจเพิ่งจะมาแน่ใจเอาก็เมื่อเช้าอะตอนที่ก็ตบคุณแทบคว่ำไปคาหมือนั่นแหละอาละเบรขอถามอะไรตรงไปตรงมาคุณกลัวขานักหรอบเรหน้าเผือดเห็นถนัดแม้จะยิ้มและยักไหลระพินผู้หญิงคนนั้นนะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะคุณ ลูกสาวแซมสั้นผู้มีพระกำลังมหาศาลชนิดที่ใครสู้ไม่ได้ยังยังงั้นน่ะไม่คุณคุณใหญ่ฉันพูดอะไรเกี่ยวกับเขาอีกเลยโปรเะจอมพรานสันหน้าผมอยากจะพูดกับคุณทำไมคุณไม่สู้ละ่ะคุณสู้คุณคุณสู้เขาไม่ได้ยังงั้นน่ะผมว่าข้อลำขนาด น้ำหนักตัวของคุณจะเหนือกว่าเขาซะอีกนะแม้ว่าเขาจะได้เปรียบในด้านความสูงกว่าก็ตาม เ, อ, เอาไหมผมจะหาโอกาสเหมาะๆปล่อยคุณเดี่ยวกับคริสตัวต่อตั ว, ตวผมเชียร์คุณนะนิระพินคุณไม่รู้จักคริสนะอิสเบรแลลัมละลากออกมานั่นนนังแม่มดชัดๆแม่มดรูปงาม เฆ่าคนมาสนักต่นักแล้วทั้งในเมืองแล้วก็ในสนามพรบใครที่ฆ่าคนได้มากๆไม่ใช่จะแสดงว่าเก่งกาจเสมอไปนะแต่ที่แน่ๆนะ่ะคือใจเหี้ยมและที่ฆ่าได้ก็เพราะมีโอกาสจะฆ่าถ้ามาเดียวกับคนที่คิดสู้แล้วฝีมือทัดเทียมกับเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายถูกฆ่าบางก็ได้ แล้วทำไมคุณจะต้องกลัวผ่านหลักสูตรแฮนด hand ์ทูแฮนด์คอมแบมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณน่ะฉันก็เคยเรียนเบนบอกมาเสียงอ่อยๆ อ, อ, อ่ะแล้วไปกลัวอะไรนี่ฉันอยากจะรู้นะว่นนีคุณจะมายุอะไรฉันก็ยุให้สู้เขายัางไงล่ะ ผมน้ไม่อยากเห็นคุณถูกตบแล้วก็วิ่งหนีไปเฉยๆอย่างเมื่อเช้าผมไม่ชอบเห็นใครรังแกใครผมถ้าไม่เชื่อสายตานะตาปกติก็เห็นเป็นเพื่อนสนิทสนมรักใคร่กันดีหยอกเย้ากันได้สารพัดแต่บทจะถูกคมขู่ขึ้นมาคุณน่ะกลัวข้องหงอเลยผมอยากรู้เหตุผลเท่านั้นน่ะเรามีมือมีเท้าเหมือนกันซ้ำขนาดรูปร่างก็ยังได้เปรียบสิ แล้วทำไมอะคุณทำไมจะต้องกลัวเขาถึงเพียงนั้นด้วยพินเบลออ้อมแอมไม่เต็มปากเต็มคำนักฉันน่ะเรียนแฮนด์ทูแฮนด์คอมแบมาแล้วใช่แต่ไลล่าอาเิเตะน่ะไม่ได้เป็นนักเรียนหรือ ผ, ผู้ผ่านการฝึกหัดอย่างฉันนะคุณเขาน่ะเป็นครูฝึกแต่นอาจารย์ของฉันอีกทีหนึ่ง ล้ลูกศิษ์จะไปสู้อะไรกับอาจารย์ได้ล่ะคุณอย่าว่าแต่ผู้หญิงตัวขนาดเชลยผู้คุมหญิงในคุกตัวยังกระหมี่โคเดียกหักคอนักโทษหญิงมาสนักตอนนักไหลล่าจับฟาดโครมเดียวนะ่นหลังหักพิการเป็นอัมาพาตมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเห็นเขาตัวราหงเพรียวอ่อนแอนอย่างงั้นเถอะเวลาไม่โกรธขึ้นมาละเรียวแรงรกยักถึงคุณเองก็เหมือนกันจะประมาท รูปร่างคุณก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะแล้วก็เตือนเชิดวุธไว้ด้วยให้ระวังเห็นพยายามเข้าไปใกล้กระลิ้มกะเหลี่ยอยู่ตลอดเวลาดีไม่ดีเจ็บตัวหรอกนี่เบลผมไม่เชื่อนะว่าคุณจะสู้คริสเขาไม่ได้ถ้าคุณคิดจะสู้เว้นแต่คุณจะไม่สู้เท่านั้นแหละเอ้มิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันชักจะไม่เข้าใจคุณจะแล้วนะเนี่ยที่คุณต้องการอะไรถึงมาพูดแบบนี้ คุณต้องการให้ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันร่วมทีมงานเดียวกันต้องมาฆ่ากันเองอย่างนั้นนหรอสำหรับฉันก็บอกกับคุณอยู่นี่ไงว่าฉันสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างอย่าว่าแต่มือเปล่าเปล่าด้วยกันเลยแถมมีด้อีกเล่มหนะึงฉันก็ยังทําอะไรเขาไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ทดลองกันมาแล้วฉันแทงเขาไม่ถูกเลยหยุดพูดเรื่องนี้นคุณยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งเป็นการไม่ดีนะสําหรับฉัน เขารู้เข้าเขาก็คงโกรธเราอีกอะไม่โกรธหรอกมีอะไรก็บอกนายคนนี้ไปสิมัวเตเบเขาจะได้กระจ่างชัดไม่ต้องมาคอยหลอกถามสืบค้นในเสียเวลาอยู่อีกเสียงเรียบเรียบดังออกมาจากก้อนหินที่ทั้งสองนั่งกันอยู่พร้อมกันนั้นร่างงามของไลล่าอามิเตตดก็โผล่มายืนอยู่ทางด้านศีรษะของอิสเบลผู้นั่งตะลึงตัวแข็งทื่อ รพินไทรวันเงยหน้าขึ้นสำรวจดูร่างเพียวระหงที่ยืนเด่นอยู่นั้นด้วยสายตาเฉยเมยและไม่กระพริบบุหรี่ช้าๆออกจากซองขึ้นมาต่อกับก้นของตัวเก่าแล้วดีดก้นบุหรี่เก่ากระเด็นข้ามภูโขดหินไปพูดทั้งยังคาบบุหรี่อยู่น้ำเสียงแผ่วต่ำว่าคริสถ้าคุณทำอะไรเบล อ, อีก ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังผมก็ตามผมก็พร้อมแล้วที่จะป้องกันเบลไว้คริสติน่ายิ้มมุมปากสุดตัวลงนั่งซ้อนหลังเบลแล้วโอบกอดแม่ผมแดงไว้ฉันจะทำอะไรเขาความจริงนะเบลก็เปรียบเหมือนน้องสาวฉันกล่าวเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลดังนั้นแล้ว หล่อนก็จุ๊บริมฝีปากไปที่แก้มเบลผู้นั่งตัวสั่นอยู่เบาๆกระซิบว่าฉันขอโทษและเสียใจนะรันรเาผิดการเมื่อเช้านี่ความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจเลยลอนเลือบตามองดูเขากล่าวต่อไปพร้อมกับเลิกคิ้วโกงยาวสุดหางตาขึ้นข้างหนึ่งว่านี่อย่าคิดว่าจะเป็นเลขโกนอุบายอะไร ฉันขอโทษเบรจากใจจริงแล้วก็ต่อหน้าคุณด้วยคุณพอใจยังคุณรพินไพรวันข้องใจอะไรอีกไหมพรานใหญ่สุบุรีเฉยตามองหน้าหลอนนิ่งอยู่เช่นนั้นคริสติน่าหัวเราะเบาๆหันมาบอกกับเบรว่านี่รู้ปะขอบังคับการะ่ะเขายินดีมากที่ติดต่อกับพวกเราทางวิทยุได้แล้ว แตเราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดขัดข้องอะไรกับเขามากนักนะที่ขาดการติดต่อไปนานตอนนี้สามคนพูดวิทยุรายงานตัวขึ้นไปหมดแล้วขาดก็แต่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รักเ็าต้องการได้ยินเสียงของเธอเนะ่เพื่อรู้แน่ว่าพวกเราทั้งสี่คนยังมีชีวิตอยู่ครบไปพูดกับเขาหน่อยสิรายงานตัวด้วยเสียงของเธอเองสั้นๆก็พอหัวหน้าใหญ่ข้างบนกาลังรอฟังเสียงเธออยู่นะ่ เบนผุดลุกขึ้ น, นในทันทีนั้นคว้าปืนประจำตัวที่วางอยู่ใกล้แล้วเดินผลักไปโดยเร็วบัดนี้บนแท่นหินในซอกลับตานั้นจึงเหลือเฉพาะคริสตินา่าหรือไลล่าอามิเตกับระพินไครวันเพียงสองต่อสองเท่านั้นที่มองตากันอยู่หน้าของระพินยเย็นกระด้างเหมือนเดิมแต่ข้าวหน้าของแม่ผมทองพรายยิ้มหยันหรือยั่วพิจารณาไม่ถูก แลพินขยับตัวลุกขึ้นผละไปะเฉยๆแต่แขนยาวของคริสติน่าเอื้อมมากดไว้ที่ไหล่ของเขาสะก่อนทำไมนะแลพินเดี๋ยวนี้คุณรังเกียจฉันนักเหรอก็ไม่ได้รังเกียจแต่ผมชักไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณอย่างน้อยที่สุดก็วิธีย่องมาเงียบๆแบบนี้ ฉันก็เดินมาตามปกติธรรมดาของฉันนะเพียงแต่ว่าอ้อมมาทางด้านหลังคุณกระเบนไม่ได้ยินเองเท่านั้นนะ่มีอะไรอีกที่คุณไม่ชอบฉันจะได้แก้ไขคุณไล่เบนไปทําไมเมื่อกี้เนี่ยสาบานนี่คุณให้ตกนรกไม่ได้มีอุบายอะไรเลยเขาบังคับการต้องการจะติดต่อกับเบนโดยตรงจรงิจรงๆอาจารย์ให้ฉันมาตามเบน แล้วหล่อนก็หัวเราะเอื้อมมือมาหยิบบุหรี่ที่ยังคาบอยู่ในปากของเขาไปสูบหน้าตาเฉยพูดต่อมาว่าคุณดูแปลกไปนะที่ลืมคำพูดของตัวเองแล้วเหรอคำพูดที่พูดว่ากับฉันน่ะผมลืมคำพูดอะไรเสียงระพินกระด้างอ้าวจำไม่ได้เหรอก็คุณเองนั่นแหละ เป็นคนขอร้องฉันไว้ไงบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ฉันพยายามกันเบลให้ห่างๆคุณไว้เพื่อจะไปเศษว่าไม่ได้ขอร้องฉันไว้อย่างนี้สุภาพบุรุษไทยอึ้งงันไปครู่อย่างจำนนใช่ผมเคยขอร้องคุณไว้เช่นนั้นจริงแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คุณกลับเป็นฝ่ายหาโอกาสเข้ามาใ่อยชิดเบลเสร็จเองนะ มันก็มีเหตุโดนใจอ่ะคริสผมสงสารเด็กคนนั้นอ่ะเมื่อเห็นปฏิบัติการอันไม่ยุติธรรมแล้วก็ถูกข่มขู่จากคุณก็เลยวางแผนยุยงให้เบนกระด้างกระเดื่องเห็นฉันเป็นศัตรูและคิดที่จะให้เบนลองดีฉันอย่างนั้นหล่อนเลิกคิ้วยิ้มๆอีกครั้งขณะที่เป่าควันบุหรี่อย่างจิตนาจะให้พุ่งไปทางเขา ตลมป่ายามบ่ายบนสันเขาพัดปลิวกระจายไปทางอื่นสมุทรใช่แต่มันไร้ผลผมยุไม่ขึ้นเด็กคนนั้นนะ่ะกลัวคุณซะหัวโขดเลยแสดงว่าเ็ดเขี้ยวกันมาก่อนนานแล้วดีคริสติน่าโบกมือพร้อมกระถอนใจยาวระพินบนความหยาบกระด้าง เย็นพื่เป็นหินบนหลุมฝังศพอันเป็นเปลือกนอกคุณเป็นคนอ่อนไหวต่ออารมณ์เหลือเกินนะมันเป็นลักษณะของคนโรแมนติกที่ไม่มีใครมองออกยกเว้นแต่หล่นเว้นระยะนิดหนึง่งและต่อมาแผ่วเบาว่ายกเว้นแต่อาจจะเป็นแพทย์หญิงที่ชื่อดารินคนนั้นละมะั้งซึ่งคนพบ แต่ฉันก็คนพบได้เหมือนกันนะนอกจากเธอผนนู้นั้นฮอย่ามองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นสิคุณมันไม่น่าดูเลยถึงยังไงฉันก็นับถือและก็ศรัท ธ, ธาในตัวคุณคุณสุภาพบุรุษไพรนี่คริสผมว่าผมจะไม่ถามอะไรคุณแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้ตามสบายที่คุณถ้าอยากจะถาม หัวหน้าคณะของคุณด็ต อ, อร์สแตนลีย์เนี่ยเขารู้ประวัติส่วนตัวของคุณดีมาก่อนหรึเปล่าก็จําเป็นจะต้องรู้บ้างเล่าๆะนะในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้า ง, งานแต่อาจจะสักแค่ห้าเปอเซ็นล้มั้งแล้วคิดอ่ะ уп. หลายนั้นนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นมาของฉั้นนักรอกแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้นี่ถ้านั้นคุณยอมรับไหม ว่าคุณไม่พอใจเบลเป็นอย่างมากที่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณให้ผมรู้คริสติน่าเบะปากนิดนึงอาการเบะปากนั้นตามปกติแล้วไม่ว่าใครจะทำมันก็ดูทุเรศน่าเกลียดทั้งสิน้นแต่บนริมฝีปากของคริสติน่ามันดูเก๋พิลึกก็ยอมรับว่าครั้งแรกนั้นฉันฉุนมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่แคร์อะไรละคุณจะรู้ก็รู้ไปเิฉันก็เคยบอกคุณแล้วนี่ว่าฉันไม่ใช่คนดีคนดีอะไรนะฉันไม่อยากมาทำงานครั้งนี้หรอกแต่ก็ต้องมาเพราะมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อรองไงไงก็ดีกว่าติดอยู่ในคุกตั้งยี่สิบปีอ่ะบางอย่างที่คุณไม่รู้ซึ่งฉันก็ขอบอกไว้เช่เลยบางทีคุณอาจจะสงสัย ว่าเหตุใดฉันจึงพอจะทำหน้าที่รักษาพยาบาลโดยเป็นผู้ช่วยเบลได้ยอย่างดีที่สุดก่อนจะหันเหมาเรียนทางเคมีฟิสิกส์ฉันเป็นนักเรียนแพทย์มาก่อนปีสุดท้ายแล้วด้วยระหว่างฝึกงานในห้องผ่าตัดบังเอิญสะเท่าไปหน่อยกดมีดลึกเกินจำเป็นคนไข้ก็เลยตายคามือใบประกอบโรคศิลก็เลยไม่ออกให้แล้วก็เกือบจะติดคุกเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนั้นน่ะ การเรียนแพทย์ก็เลยสะดุดชะ ง, งักอยู่แค่นั้นทำไมงั้นฉันก็มีสิทธิ์จะใช้ MD ขึ้นหน้าคำ MSC ได้อย่างเบลเหมือนกันคริสติน่าพูดเนิบเนิบเรื่อยเฉยดูไม่จริงจังอะไรนะนี่คริสผมว่าคนไข้ที่ตายคาเตียงผ่าตัดต่ะนะเขาไม่ได้ตายเพราะความสะเพร่าของคุณหรอก แต่เพราะอารมณ์ซาดิสของคุณซะมากกว่าล้วมั้งไม่รู้สิฉันก็วิเคราะห์ตัวเองไม่ถูกหรอบเห็นครั้งแรกยังกับครูหรือแม่ชีอย่างนั้นเละนี่ระพินคุณไม่ได้บอกไว้เองหรอกเหรอว่าผูเขาไฟนะ่ะมักปกคลุมด้วยหิมะแต่อย่ากลัวไปเลย ผูเขาไฟลูกนี้จะไม่พ่นเท่าลาว่าออกมาลวกคุณหรอกเพราะถึงลวกคุณก็ไม่เป็นอันตรายเพราะศิษย์มีครูไม่ใช่เหรอมีหน้ำซ้ำยังมียันกันภัยอย่างวิเศษติดแนบหัวใจอยู่ตลอดเวลานี่ลอนองหลังมือตกเบาๆไปที่อกเสื้อด้านซ้ายของเขาที่มีรูปของดารินทรวราริศใส่ซองหนังบางๆแนบอยู่ทุกขณะ อยู่ตรงนี้ไงความจริงตอนที่ฉันเก็บได้ฉันควรเอาเผาไฟซะเลยนะไม่น่าจะคืนให้แต่คุณทำอย่างนั้นแล้วผมรู้ทายถูกไหมผมจะทำยังไงฆ่าฉันหละไม่จะฆ่าเฉยๆหรอกคุณแต่จะค่อยๆแร่เนื้ อ, อ, อมาทีละชิ้นเลยเอแหละ ฉันก็คงจะถึงไทแม็ก ค, คิดสุดอีตอนนั้นแหละคุณหล่อนพูดหน้าตาเฉยนอนหลังพิงก้อนหิงเหยียดเท้าในท่าสบายอารมณ์อ๋อนี่นอกจากเป็นซาดิสแล้วยังจะเป็นแมทโคซิสอีกด้วยเหรอมันก็ ป, ลปลนปนกันอยู่อะคุณสุดตะการเวลาซึ่งก็ไม่แน่นอนอย่างเช่น ขณะนี้เดี๋ยวนี้ฉันรัตคุณจะตบฉันซักเปรี้ยงเอาไว้เลือดกลบปากะนะฉันคิดว่าฉันควรจะมีความสุขที่สุดนะคุณนี่คุณใจิตใจผมน่ะเป็นปกติดีไม่ได้เป็นทั้งซาดิสและแมกโซคิสเพราะฉะนั้นสีใจผมช่วยคุณในข้อนี้ไม่ได้ ราวจบพรานใหญ่ขยับจะลุกอีกแต่คริสติน่าก็ไวพอที่จะคว้าข้อมือเขาไว้ได้อย่างฉับพลันดวงตาสีฟ้าอันเป็นลักษณะสีตาของอเมริกันแต่แววลึกซึ้งและกินใจอันเป็นคุณลักษณะของแววตาเอเชียที่ปะปนกันอยู่มองประสานตาเขามันมีอำนาจจริงๆอำนาจราวกับแม่มด ซึ่งกอบไปด้วยสเสน่หานุภาพวิงวอนอ้อยอิงที่สะกดเขาให้ต้องตะลึงแลคริสติน่าขณะที่เขามองอยู่นี้ลอนสวยจับจิตจับใจเหลือเกินกระพินยอมรับว่ารลอนสวยจนทากบุรุษในกายของเขาสะท้านสั่นว่าวิวทั้งๆที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ไม่อำนวยให้เลย ท่ามกลางความระอุอบอ้าวของตะวันบ่ายและพักพวกคนอื่นๆที่ยังชุมนุมกันอยู่รอบด้านเต็มไปด้วยโดยมีมุมลับตาระหว่างเขาและหลอนห่างแค่ไม่กี่สิบก้าวเท่านั้นพริ้ซริมฝีปากบางแดงสดตามธรรมชาตินั้นขยับและใบหน้าก็โน้มใกล้เข้ามา ระพินไร์รวันดูเหมือนจะลืมตัวมือทั้งสองยกขึ้นจะโอบกอดแต่ทันใดนั้นเองก็เหมือนมีอะไรแล่นปราดผ่านไปในดวงจิตสำเนีกเสียงเพลงของแง่ทรายที่จำติดสมองแวววเข้าสู่โสดส่วนลึกถ้าว่าเสียงนั้นหาใช่เสียงของแง่ทรายไม่ ห่างไกลเหลือเกินเกินหางอาวันฝันเคยเคียใกล้เธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดจิตใจไว้วันกระแสเสียงเหมือนหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริ พริบตานั่นเองระพินก็ชะงักมือที่กําลังจะโอบกอดกลายเป็นสะบัดตบชาดใบหน้า ง, งามของคริสติน่าสะบัดไปตามแรงตบด้วยหลังมือนั้นดวงตาทั้งคู่ของหล่อนหลับและเฉยนิ่งอยู่ในภาวะเช่นนั้นระพินเองตบไปแล้วตัวเองก็ตะลึงไปอีกเมื่อเลือดสีคน ค่อยๆไหลรินเป็นทางออกมาจากมุมปากของคริสติน่ามันไม่มากนะแต่มันเป็นเลือดเลือดของหลอนที่หลั่งออกมาจากการถูกตบด้วยหลังมือของเขาเขาจ้องหน้าซีดเพราะความตกใจในการกระทำของตนเองคริสติน่าคงเบือนหน้าไปตามแรงตบและอย่างนี้ ดวงตาหลับอยู่เช่นนั้นต่อมาเขาเห็นหยาดน้ำใสๆไหลซึมออกมาจากดวงตาที่พริมหลับของหลอนเป็นทางตามร่องแก้งไม่มากนะักแค่สองสามหยดเท่านั้นขอบคุณระพิงขอบคุณ ในความการุณาของคุณคริสติน่าพึมพรรมแผ่วเผชิญหน้ากับพูดผีสมิงร้ายไม่ว่ามันจะร้ายกาศสักขนาดไหนคนอย่างระพินก็ยังไม่หวั่นไหวตัดสินใจยังไงไม่ถูกเหมือนเช่นภาวะที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้มันเป็นความรู้สึกอันยากที่จะบรรยาย ชุลมุนไปหมดทั้งสมองในที่สุดก็รวบเอาร่างของคริสติน่าเข้ามากอดประทับไว้กับอกและล่ำาละลักออกมาคริสโอคริสผมผมไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจเลยโปรดยกโทษให้ผมด้วยคริสติน่าคงนิ่งนิ่งเหมือนรูกปั้นอยู่เช่นนั้น รบผินลุกลี้ลุกลนเช็ดให้ทั้งเลือดและน้ําตาเงึะงะสับสนปากก็พร่ำเรียกน้ำและขอโทษหลอนอยู่เช่นนั้นคริสติน่าค่อยๆลืมตาขึ้นขนตางอนเปียกชุ่มน้ำแม้จะไม่หลังเป็นทางออกมาอีกพยายามจะยิ้มแต่ก้มหน้าหลบตาเขาขยับตัว เอามือทั้งสองดัน อ, อกจะพละออกจากอ้อมกอดแต่ระพินยังนัดรักไว้แน่นปล่อยฉันเถอะค่ะระพินคริสผมจะไม่ปล่อยคุณยังเด็ดขาดถ้าคุณไม่บอกว่าคุณยกโทษให้ผมผมป่าเถื่อนมากครับมันเป็นการใจดำเอามาหิดจริงๆ แต่ผมลืมตัวผมลืมตัวจริงๆครับคริสคุณลืมตัวกับเบลคุณปฏิบัติอย่างหนึง่งแต่คุณลืมตัวกับฉันคุณก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งฉันไม่มีอะไรจะยกโทษให้คุณหรอกเพราะคุณไม่มีโทษสิ่งที่คุณทำลงไปแล้ว ก็คือสิ่งที่ฉันขอร้องคุณเองไม่ใช่เหรอคริสระพินครางอย่างว้าวุ่นพยายามจะเช็ดซับน้ำตาให้ตต่ลอนเบือนหน้าหนีขอโทษครับขอโทษจริงๆครับผมยอมรับว่าผมขาดสติบ้าไปชั่วขณะบอกผมดิคุณเจ็บมากไหม เจ็บค่ะเจ็บจากแก้มแปรบขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวลงมาถึงคู่หัวใจที่แรกฉันนึกว่าฉันจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดจากรสชาติอันนี้ปล่อยฉันระพินคุณรู้สึกตัวหรือเปล่า พวกคุณกำลังกอดรัฉันอยู่คริสผมกอดคุณโดยเจตนาไม่ใช่รักก็นั่นแหละลักษณะมันก็ใกล้เคียงกันระวังบาปผิดทางใจของคุณเองนะนีฉันเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคริส ผมไม่รู้สึกเป็นความผิดที่กอดคุณอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกเป็นความผิดอย่างไม่มีการให้อาภัยได้ทีเดียวที่ผมผมเป็นผู้ชายทั้งแท่งดันพาไปตบหน้าผู้หญิงโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรผมเลยสักนิดคุณไม่ได้ทาอะไรผมเลยคุณดีกับผมสารพัดแต่ผมกลับทำร้ายคุณฉันนี่ใจผมทำยังไงดี จิงจะเป็นการลุกกระโทษคุณได้ในครั้งนี้คริสอย่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยระพินลืมซะรต่แต่คุณเสียใจและผมก็เสียใจผมเสียใจอย่างที่สุดผมผมชอบคุณคริสโปรดได้ยินด้วยครับ ผมชอบคุณครับคริสติน่าค่อยๆขืนตัวจนกระทั่งหลุดพ้นจากอ้อมแขนของเขาเอานิ้วบรรจงแตะน้ำตาที่จับพราวอยู่บนขนตาลงมาดูเงียบๆจากนั้นก็เอาน้ำนั้นแตะเบาๆลงไปบนหลังมือของเขาแล้วหันหลังกลับเดินผลับจากไปทันที ระพินไพรวันยืนกายสั่นเทิมแล้วุดกายลงนั่งชันเข่ากับพื้นมือทั้งสองกลุ่มที่ขมักการพัดภาคจากดารินวราริสเป็นความทุกข์ทรมานอันดับหนึ่งที่ไม่ต้องเอ่ยถึงแต่การตบคริสตินากรูเบี้นเมื่อครู่นี้ตลอดจนได้เห็นอากัปกิริยาของหลอนก่อนจะพละจากไปก็บีบคั้นใจเขาเช่นกัน กินลึกเป็นอันดับสองอันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นี่เขาจะทำยังไงดีหน้าของเขาเท่านั้นที่มันดูกระด้างเหมือนหินแต่หัวใจของเขามันหาใช่หินไม่จากผู้หญิงคนหนึ่งมาก็มีทุกข์พบผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าก็มีทุกข์และเป็นผลแห่งทุกข์ ที่เกี่ยวขอ้องสืบโยงกันเป็นลูกโซ่ดารินดารินดารินนั่นคือคาถาปลดทุกข์ระงับความฟุ้งซ่านที่เขาพยายามท่องภาวนาแต่ภาพที่คริสติน่าถูกตบใบหน้าสะบัดเลิด น, นิ่งไปภาพเลือดที่รินออกจากมุมปากภาพน้ำตาค่อยๆซึม ตหลอจนกิริยาและถ้อยคำที่หล่อนพูดกับเขามันก็ผุดซ้อนทับขึ้นมาชนิดที่ยากจะลืมให้หล่อนฟาดเขาด้วยด้ามปืนให้พรุษวาดดาทอให้ตรงเข้ามาทำร้ายตอบแทนหรือใช้วาจากิริยาอันเผ็ดร้อนที่สุดยังจะดีสกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมซึ่งปวดร้าว ตัดสิงใจยังไงไม่ถูกในขณะนี้เจ็บค่ะเจ็บจากแก้มแปลบขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวลงมาถึงขั่วหัวใจที่แรกฉันนึกว่าฉันจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดจากรสชาติอันนี้ ประโยคแผ่วเบาแต่ชัดเจนนั้นก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาซึ่งแน่ละ่ะยากที่จะลืมซะได้นี่เหรอนางแม่มดของเบลนางฆาตกรตัวร้ายที่ล่าผู้ชายราวกับพรานล่าเนื้อเขาไม่คิดว่านั่นจะเป็นฉากละครลวงไม่คิดว่านั่นเป็นบทบาทการล่อเยือของนางสมิง ซึ่งก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เขาได้เห็นเลยเพราะตนเองก็คงเตรียมการไม่ทันรงข้ามกลับใช้กิริยาอันกลมกลืนอื่นๆกลบเกลื่อนร่องรอยซะตกหล่นทำใหม่ระพิ์ถามตัวเองแล้วก็ได้คำตอบในสองข้อหนึ่ง ตัวเองมองเห็นหล่อนขนาดนั้นสวยเกินไปและจิตใจไม่ปกติต้องการจะทำลายบรรยากาศที่เกรงว่าจะระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้นั้นให้สะบั้นลงซะสองมีทุนเดิมที่ประชดปลองดีและหมั่นไสหล่อนเป็นทุนเดิมอันเกิดมาจากการรับทราบประวัติร้ายโดยคำบอกเล่าของเบล สัดโครมลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหลอนร้องกรี๊ดกรี๊ดเต้นเราเราเหรอเปล่าหลอนต่อสู้โต้ราวกับแมวป่าอย่างที่หวังไว้เรอก็เปล่าหลอนแสดงอาการหน้าด้านปราศจากยางอายฉีกเสื้อผ้าออกไล่ปล้ำเขาเหรอก็เปล่าอีก รอนักไลแสดงว่าไม่แท้เหรอก็เปล่าเปล่าทั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังจะได้พบเห็นเลยดัจริตสำออยร้องให้กระซิกกระซิกดิดดิ้นตีโพยตีพายเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เขาคาดล่วงหน้าว่าจะเห็นจากเลขกนของสตรีที่มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษา เขาก็คาดผิดไปหมดแล้วเขาเห็นอะไรหลังจากนั้นเลือดจากแรงตกน้ำตาที่พยายามซ่อนเร้นรอยเจ็บที่ดวงจิตซึ่งพยายามกลบเกลื่อนรอยอับอายและเจือแล้วในที่สุดก็เดินเลี่ยงหนีไปอย่างยอมรู้ตัวว่าแพ้อยู่ในที แค่ความใจดำของเขา